พยคขาวจรก็ละธรรมอันไม่มีประโยชน์เสียถือเอาธรรมที่มีประโยชน์ละธรรมที่ไม่มีอุปการะเสียถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะอย่างนี้แหละมหาบพิษชื่อว่าสติมีการถือเอาไว้เป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาณให้ทราบด้วยปุปมาในประตูของพระราชามหาราชา